เทศอบรมพระวันที่22มิถุนายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนดีมากเทศเรื่องอาจารย์มั่นตีพระเนรด้วยอุบายต่างๆปลุกใจดีมากเทศนิพานไม่ได้ทำให้คนตีบตัน กิเลสต่างหากทำให้สัตว์ตีตันอั้นตู้พระพุทธเจ้ามีกี่องค์รวมลงที่ใจบริสุทธิ์ดวงเดียวนี้ไม่มีพระอระหันต์องค์ใดเป็นบ้าถามหานิพพานพูดมัชชิมามีหลายประเภทหน้าบีพูดความจำกับความจริงต่างกันมากการ น, นี้พูดเรื่องไมช่ชีวัดพาศูนย์กลางนิพพาน อยู่ด้วยกันต้องมองกันในแง่เมตตาและเป็นธรรมระวังอย่านาเขี่ยวออกมาอวดกันมันจะกลายเป็นหมากัดกันกันนี้ก็ดีเป็นคติหลายอ ย, าอย่ากกงขาลงกถนไปเที่ยวแบบา ม, มากูไปมาอุ่นร้อนนิดนึงมาเยี่ยมเยี่ยมก็ดีพันเท้าใบพุทธข้างโน้น ไปรำเพื่อนมาอย่นู่นครับมาท่าน ห, หนักมาก่านจะว่าผมนั้นเอ๊่ยถ้ามาหายไปไหนมาทางธรรมดาเราเคยามจะเมือ่อถามอย่างนี้แต่ที่ปัญหาท่านพี่ดีสั้งปันเป็นอย่างรรเราไปเชื่อ่ในป่าในเขาตนี้ไม่ไม่น่าที่ท่านจะพูดทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้น นี่สมัยไหนยันนะยังไม่สนป่าใกลขวอยู่ไหนวะไปนาดอนหนึ่วันไปใกล้ก็ใ้าขวอยู่ไหนะเข้าไปใ้ป่าในเขาถ้าสุดทมาจะหอมอย่างเป็มที่เป็นฐานฐานที่บางแห่งอาที่มอฟเราทําีนงนั้นท่านนั้น เอาอุบายนออกมาอือน <últ im home> <control> <Belgian Willie> <mer> ี่มหาอำนาจาแล้นะหลายวัดเลยทุกทมัวพูด้าทพขวาใหญ่านไม่เห็นได้ทำมากมั่งพูดส er ู่คนจังวัดคนณรามาธิรั้มีนี่ได้ได้มาทุกทีนะธรรแล้วที่นี้ท่านอาจารย์มั่นคดีท้าสงในวัดท้งหมดคดีองค์ไหนที่เห็นผมฉันทอนผมไม่แม่เลย ไปบงก้นกัเส้นท่านชันเดินอยู่แล้วผมเคยํามหนึพอท่านพูดนั่งคือปั๊บปั๊บเปิดทับข้าในจิตปอกเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทําเลยท่านพูดทํำไมอย่างนี้ถ้ามาตีเนาะค่ะพูท้ทีมันดื้อๆมันแอบแสงทำมันมีอยู่นะเราก็เห็นเนะตานท่านสมั่นไว้แล้วทําไมจะไม่เห็นอืมเราหาใบปีญจนั้นก่อน ท่ามอ่อกองกงราะท่า น, นเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วัึงผู้นั้นไม่ได้ยินก็จะเลอดสู่กันฟังเรื่องสําคัญสาคัญหนึ่งท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงเหรือหมูขั้วตั้งที่เหรอเวลาหมูขั้วมาเล่าให้ฟังหมูเขั้วเห็นผมเคยถันทอนหมายรู้ไหมว่าท่านตีแล้ขาให้รู้ตัวนั่นนะ ผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผ ม, ผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทําแต่ท่านทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้ความความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิจการที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกอย่างชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทําไง เห็นเราไม่ขันนมเวลาข้านมมาหลายอะไรผสมผสมอะไรใส่มันอะไรเฮ้ยมัไปติดมันแล้วแบบแจวครับผมไม่เคยบแ้แต่ครูเบญนั้นผมกนไม่ขันนมเพราะท่าของผมมัผิดท่าถลายทำายและทันนมนอนนี่เือไม่ต้องฝังเลยนะเพราะกำลังมันเป็นที่ของมันแล้ว แต่จะว่าเป็นลาค้าจดิกก็ไม่ใช่นะเวลาข้าจดิกมันต้องเพิ่มต้องเคยไปข้างนอกหาเรื่องการที่เแต่มันไม่ไปถ้าขันมันเต็มเต็มที่ของมันพอขันนุ่งไปนี้นอนตื่นขึ้นมานี่ภาพเอียงมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีไม่เป็นเราทราบบ่อยๆนอนหลบางทีมันก็แสดงเช่นไม่ได้ขันนงก็ตามมันจะปวดที่ตรงนีตรง เดี๋ยวเขาอรีกตาตาโนเอี่ยมเอือกมันจะปวดนี่รู้ตัวของรู้ตัวนอนลํามัดระวังขนาดนั้นมันยังค่อยหลมาได้นะมันเป่งนี่มันคงจะเป็นตาท่าบางลายถ้าหราผมมันเป่งไม่ฝันไม่ผันก็ตามก็เป่งถ้าท่ามันเป็นแม้แต่หน่วยหนึ่งท่ามันมีวการอะไรยังงมันก็มีถือขึ้นมารู้สึกภาพเปลี่ยนผมไม่ฉันถ้าฉันที่เลามันเยิมทุกที นานๆมาทดลองอนี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยื่งเป็นเรื่องเขียบขาดโดยแล้วผมไม่แตะมีทางเห็นเหตุที่ท่านเห็นเลยเวลาชงขนมขน ม, ขนมอะไรขนมนมถ่านนี้แล้แบ่งให้สมหาม่อนะสมหาแล้วท่านใน่ั้นนมนะแบ่งให้สมหา่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนนทั้งหลายนะเองพูดในหงายนั่ น, ด, นดูที่อุบายแมบบ่เตรียมใจ จะพูดกับเรานะั่ยนั่งเอาเราเป็นเหตุดีด้วยสมทานทุดงก็ขโมยทำอยู่คนเดียวผมตัางใับอยู่กับท่านืีแรกพอท่านอธิบายทุดงกับบตอกนั้นกระจับปุ๊บเลยไม่เคยรับตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเว้นเลยทำคนเดียวของเราเนี่ย บินสบายมาแล้วจัดอะไรกูกัปกอะไรของดีแล้วรู้แล้วว่ามันถูกกะท่ายาพ่อแม่ัวใจเราถือไว้ไว้แล้วของเราเราจัดนิดหน่อยเพราะนั่นเอาในตันสาบิบ่ายได้้ปิดาบายแล้วเอาผ้าปิดีทีนึแล้วไรติดกระฝ้าบางต้นเสาอาไว้แล้วไปจัดอาหารรู้ันได้เ้ บกเข้ามาอ้าวทายยกทายกแปลว่า hmm. ผู้ให้ทายจะกะแปลว่าผู <Wait. S 2> ่ให้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแพร้วานทายจะกะแปลว่าผู้ให้พูดกลางๆอ้าวทายกมาสายววันนี้ทายกมาสายวะสายบ่ายไหมสายได้บ่ายหน่อนมามาแล้วมือท่านมาพร้อมนะเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจําเป็นต้องรับพระความกรุราท่านวันนั้นเราก็ยอมข่านผู้ดท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะ เราจะเป็นทิฏฐิอะไรหนึง่งท่านมาหาักไว้สับ้างนี่เอาคิดนะมันมันจะเป็นทิฏฐิอันหนึ่งแม้จะเอาสายธดรงก็าตามแต่ทิฏฐิที่เป็นชีวิตขวัญจะแทรกมันมีท่านเลยมาหากักปุ๊บสักบ้างอ่ะแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นังขานะบอกว่าไม่ได้เป็นังขาดทีเดียวผมห้ามขายแล้วใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่พระแม่พระพุทธเจ้าทำผมยอมรับเพราะความรุ่งท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรุ่งท่าน ถ้ไมมุ่งจะมาตัดธูดงให้เราให้ขาดท่านจะตัดที่เหลือตัวพิธีอันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราแทบจะไม่ไม่มีอะไรนั้นไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของพิธีอันหนึ่งโดยอาศัยธูดงเป็นเอืุเราก็ทราบไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยๆนะนานๆนั่นทําทีนานๆทำที เรื่องอะไรที่นี่ไม่เคยพูดจะให้ท่านในหนักใจทพราะผมท้าวคนว่ามันไม่มีนะเพราะเราพร้อมอยู่เสมอว่าที่จะฟังท่านอะไรทเห็นมากและควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าต้แหน่ตรงไหนเราจะแก้ไขทันทีทันทีทันทีเลยแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยละหล่อเลยแหลมเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้รืมเวลาบางที่พูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึง แล้วองนั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นเหให้เราคิดมากเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรีบกระชับหมู่บ้านกระชับกันทันวันนั่ง น, น, นีน่นี่บอกองหนึ่งแล้วเดี๋ยวอย่างองหนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านล้วเรื่องเก่านี้วเดี๋ยวองหนึ่งมาเคลื่อนเร้่องเก่าแสดงว่วาไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจ หรือบอกกันไม่ได้หรือมันมีที่ถิมาณะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเฉยเฉยอะไรเมยเมยอะไรอยู่ในใจมันมันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่ากิเลส ต, ต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องกิเลสอะไรจะแหลมผมนี่ก่อนกิเลสอะไรจะ เนียวแน่นยิ่งกี่ากิเลสมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าสัตตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่ไม่หาความสุขกาได้ไมีแต่ทุกข์อย่างายัางยืนก็เพระเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยแลในเรื่องของกิเลสอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ถัายสอนอันใดอัน เป็นเรื่องแก้ที่เลสทําไมจะนอนใจแล้วท่านมาแพูดแบบสุ่มๆเดาๆเมือนช้านี่ไปพูดเหมนกันมิต่อพูดอย่างนี้พูดในฟังมันจะแก่หรืแก่ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดเพราะเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วเนี่ยมั น, นมันอะไรในจิตเหมนี่อ่ะใหดุดีใมองไปมองมองซดันเป็นแถวในชามน้อยๆอย่ะ โอ้โหแล้วกันมันมันมันเป็นหลักของวัดใช่แล้วเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่แันไม่เป็ น, น, น, ในใจผมก็ทังถึงเนนน้อยแล้วก็ดูดูไปไม่เห็นเวลาเราดูอ่ามันคงมัวแต่รดเหยียบหัวใจอยู่นั่นลดอะไรลดอาหารน่ะเหยียบออกรดทำอะไรขึ้นไม่ได้ตายชิมหน้าพิณหายหมดนี่จะลดอาหารมันเหยียบรดดิ้นมันจะเหยียบ รถทหารเข้าไปเหยียบดิน้นรถดิ้นก็เหยียบทำแหลกกระจ า, ะจายเงือเดืนอเดนอเราจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขไงสุนทรมันใหญ่ทุกคนแล้วสันนิษฐาก็เป็นค้าวัดนี่เคยอยู่ด้วยกันมาพิดใจให้ตามผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่มวยทรายขนันอยู่ด้น้องผือกับแม่ท่านมาจําสนาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งยุคพม่าลนาใกล้ๆสามกิโลเท่านั้น ตรเหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงวันประชุมววสดก็มาฟังการประชุมวสดทุกวันกทุกวัวสดออไม่อยากเห็นนะฮมันเมันคล้ยายๆนาทุกคนแลเวลาฉันหันก็ผ้าหลุดรุ่ยลงมาเนี่ยมัวแต่เทินกับรถกับผ้าตนั้นผ้าหลุด ลงไปก็ไม่เห็นไม่สนใจดูไปดูไปแต่ว่าดูพุดไม่มีควรจะบกจพฟ้อมควยจะผืดเนื้อผือตัวอะไรแบบนีไปดูดูลเป็นยังไง น, นานๆดูทิ้งว่าเห็นหนรือเปล้าพ่อแม่ครูจันร์มั่นนี้เป็นแบบฉบับได้ดยอย่างไม่สงสัยผมมอบรอเป ชีวิตจิตใจของผมมันมีความหมายรวมอยู่ที่คําของท่านตัวว่าของท่านที่สัสอนทั้งนั้นนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่า น, ท, านที่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาปรับทรมาณตนนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายขท่านที่แนะนําสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆความจริงงานเทศเข่มคนเพราะท่านมิสัยอาถรรน์ิสัยอาชานัย ส, สงา่าผาเผยอาถรรพ จริงจังกับทุกสิ่งทุ ก, กอย่างขึ้นคือว่าความดีแล้วท่านจริงจังละความชัว่วท่านก็จริงจังไปดูท่านแล้วท่าว่า ย, ยอมทันทีตั้งกับมันกล้ากับปฏิเรศดูอะไรๆหาเพื่อนทีกเพื่อนข้ามมาเพราะหลักธรรหลักวินยัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดที่ต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายขคือการพูดการแนะ น, นําสั่งสอน เด็ดเดี่ยวอาหารถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติ ท, ทั้งกดำเนินดังนั้นไม่มีข้อพ่อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยหรือเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทํางเราจะไปหาอะไรให้ยิเสกยิง่งสวยยิ่งกว่านั้นเรงต้องพยายามาต้นตรงไหนที่ว่าตรงไหนจะต้องยิดทันทนีทันทีนน มนันหลุดลอยไปได้แล้ ว, วทันทีคำว่าปฏิบัติเราเอาคนเดียวเรอแต่จริอย่างนี้มันเป็นถึงหยาบๆคนปฏิบัติได้อย่างที่ครั้งเคยพูดทั้งพูดน่าสลดทางเวททั้งพูดพด้วยความรู้จริงเห็จริงพานานท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านคำว่านี้นะเห็นฉันท้อนใ น, นในบาทรฉันในข้าในบาตแล้วก็ฉันด้วยท้อน ผุดขึ้นมาโอยน้ำห ไ, หน ไ, ไหลไปสว่างเลยทังนั้ผลขึ้นผุดขึ้นมาเหมือนก็มีอันหนึ่งสอนหล่อนผึงผึงผึงผึงให ม, ม, ม, ม, ม่น่อยอย่งั้นฐานก็ฐันเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่ง น, น, น, นอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมเท่าไหร่ มำไเวลามาฉันจึงเห็นแฉลิ้งแฉปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้เหรือมันกว่เด็ดเข็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานอนลงมานี่ไม่ใช่ผู้เห็นภัยนั้นเนี่ยผู้ที่อนอนตรงในวัฏจของสารหารเวลาพ้นไปไม่ได้แบบนี้นะ่ะแล้วเขาเป็นท่านแล้วก็จิตมันก็ชะลอทันทีนี่ครขอร้องท่านนะตอนเวลาท่านดวลตัวเข้ามาจนที่แล้วขอท่านชด ทดถอนทดเพราะบาทมันก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดกัไม่ได้ครับแคกันยังไม่นั่นแต่มันจาเป็นไปขันแต่ให้าบึกลูกหินลูกหาบบึกบืนมาก็พอแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่จปฏิบัติต่อภาพต่อขันพอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันพอเป็นที่ภาพภูมิจัดจัดโลกทั้งหลายครับเ่อกระวังขอแม่ครูอาจารย์ไม่ทำการภาดตามขัน ไม่มีใครจะมายืเลยไม่ใช่ภาพเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นภาพลูกจิตมีครูแล้วไม่มีใครจะรยดืดผมเนี่ยเป็นตัวสาคัญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้ากล้าด้ยเหตุด้ยผลใครจะมายดืดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใค ร, รยืดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นะแต่ลูกจิตมีครูแล้วไม่ยืดเพราะสภาพนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงนเวลานี้ใครก็รู้ พระอาจารย์มีความสะดวกสบายแล้วการขบการฉันด้ววิธีใดก็ขอมีมวลเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แต่โลกไม่ใช่ในน้อยหวังฉันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกพลาดฉันก็ยิ่งชุดลงไปชุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางส่วนทางเสียอยู่แต่เดียวทางถันแล้วเดี๋ยวท่านก็พิสูจน์เราเอาอีกนั่นนะนิสัยท่านปัญนิสัยปัญญา พพับพับพับ พ, พจัดที่รับที่นอนให้แล้วก็พยายามเป็นที่พื้นฐานเราจัดที่นอนนห้ท่าปูสืกปูแะไรนอนท่าบอกอย่างดีนะบอกให้อย่างนี้อย่างนี้ก็โอ๊ยจดจําเก่งนี่กว่าไรนะฮอแล้วก็พยายามทํานั้นไม่นานคลิกปุ๊บแต่กว่านี้ยินแอ่เพื่อนผมเล่าให้ฟัง ผู้วาจารผู้ท่านนะปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทํากับพ่อแม่ผู้วาจารีมันไม่ถูกเลยมันเพราะมันไม่ถูกที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็พิชเดี๋ยวท่านกระดุกว่าแล้วก็จำมาไว้แต่จริงๆทําเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไว้นู่นแหละอะไรเนี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอฉีดไว้กําหนดไว้ให้ดีสุดท้ายก็เอาปับ๊บเนี่ย ทำอะไรทำอย่างนี้มันต้องทํานิดนิดดิท่า น, นบอกพี่ไปนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยมากความคิดคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกหรือมันนอนใจมันไม่ระเบียบระวังมันนอนใจท่านลี๊ปักตรงนั้นไม่ให้ น, น, อ น, ใ น, น, ใหนอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้ใช้ความคิดมันไม่ได้ทําแบบเซ่อเซถูกก็อยู่กับคําว่าถูกเซ่อเซนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาระวัง ท่านอนเพื่อความฉลาดทุกระยะแล้วนะท่านไพลิกเรื่อยพลิกเรื่อยนั่นแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจเลยรนะที่อมาต่อมาเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้คุ้นกับอะไรผิดท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสาหรับผู้มีที่เลสที่ถอนถอนที่เลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องนี่นยอมรับท่าน ใ ห, ให้ห้าหมู่เพื่อนที่มาปึกษาอบรมจึงขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจใีพยายามทุ่มเทลงเต็มสติกําลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนฉุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็ถือเป็น ป, ปลายเป็นธรรมดาอ่าก็เมือ่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรนี้รับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดาเนินมาหนักเ้า ลำบากลาบนแค่ไหนก่อนนํามาพูดไม่ใช่นํามาอวดให้เป็นคติแก่หมูกแก่เพื่อนนี่คือวุายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลําบากต้องลําบากเอาควรสละเป็นสลักตาอาสละไม่เช่นนั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังสลหลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังสลลอกเลยเอาจริงมันจางถึงข้าวที่จะเอาถึงข้าวที่ธรรมดาก็มีถึงข้าวที่จะหนักแน่น หรือเน้นหนักลงไปในจุดสำคัญสำคัญขนาดทีวิตดศลักได้เอาอย่างนั้นจึงเป็นตั้งใจว่าพิสปทิบัติเพื่ อ, อการตัดทิเล็กจริงๆ ม, มันหักมีกับจังหวะที่ควรจะเบ็ดมันหักมีในหัวใจในของแล้ถ้าขู่มู่อัมุ่งทำนักใช้ความพิพจารณาบ้างแล้วมันหักมีวาระที่จะเข้าได้ขเข่าเข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอา ไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันไม่ถึงจังหวะแล้วเคยทํามาอย่างนั้นมาจจะคิดว่าเป็นแม่มาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่นถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาว่าปัญญาิกพุ่งช่านทังคารเป็นไม่มีวนนันมีคืนอแต่แทนที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ทนการปลกการทรมานเวลามันคึกขนอ o นขึ้กมาก เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียนเล่งมีเลยตัดลงตัดลงดัดสันดานทุกแง่ทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับสมิจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดาเนินกางเลี่ยนด้านจาิตใจไม่สะดวกต้งตดัดกำลังทางร่างกายลงไปที่อย่างอดอาหารเป็นต้นนิอุบายวิธีการฝึก ตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นนี่โดยลําพังของกิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันขาดตัวนี้มามันจําเป็นต้องกิตจริถึงเรื่องการไม่มีกําลังจะทับทัดขันก็าตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับร่าทับกิตใจก็าตามแต่กิเลสมันทับกิตทาไม่แยกไม่แยกไม่พิจิตรณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกําลังความสมารถจริงกิเลนี้จะไม่ขยายตัวออก พอได้หายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปกันหนึ่งอ๋าถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจริงว่าได้พูดได้ชัดๆหรองเรามันชัดในตัวเองว่าเรานี่มีนิสัยหยากมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลาย น, นี่มันไม่ได้เรื่องยองผิวทะลอะกันไม่ได้ผิวกิเลสทะเลอะก็ไม่ได้เนี่ยนะนั้นถึงข้าวที่จะ เอาให้เป็นให้ตายนะต้องเอากันหนะักแต่ถ้าที่ น, นั้นละ่ะมันได้เห็นเหตุเห็ผลเห็นกําลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบเป็นมุมด้วยเห็นนี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนาะถึงเวลามันฉนาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบเป็นมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกข่องไหนไปท้างไห น, ไไหนถูกล้อมแล้วทําไงเราจะออกท้างไหน มันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความสลับขึ้นมาอเล็ดลอดออกไปจนได้เนี่ยนี่ก็ถูกวงล้อมของกิเลสเราจะออกทางไหนสติปัญญาไม่ได้วไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่แหละสำหรับใช้คิดอ่านแต่ตองหาทางออกหรือหาทางแก้ ป, า ป, าปาราบปรามกิเลสเราก็นํามาใช้ถึงเดี๋ยวก็ได้พอได้ออกม า, าพร้อมหนกิเลสที่มันลุมล้อมอยู่มันก็พังพลายลงไป เป็นระยะระยะระยะอที่เลยมันพังไปเมื่อไรด้วยอํานาจแห่งความเข้มขน้นของเราความสลับเป็นาตายตานั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดพูดอย่างไงครับรู้สึกว่าเชื่อสมรรภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นหนึ่งนั่นทำมาเชื่อสมรรภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนน้นมาถึงกันจริงอย่าที่เลยมันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้มไม่ต้องบอกว่าจํา ม, มาทจําได้อีก เพราะความอัตจรรยที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งๆอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นสายตายังมันบอกอยู่ในตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแตเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลวุ่นของกั ง, ง, งวลกังวลกวายอันเป็นเรื่องของกิเลสเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่าง จริงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใชเ้เราจะประคอยให้เต็มใจสมาธิเป็นซะก่อนดีดิดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจับตาประจับใจมันทําได้มันจะเต็งไปขนาดไหนว่ะปิดนี่ทีวิลือ์มันอยู่กับปิดสติปัญญาถ้าเกิดอยู่กับปิดหมุนตัวกันอยู่นัในนั้นทําไมมันสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ ถ้าเราทําด้วยความตั้งใจนี่เราเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเงื้อมือจนได้เพราะเคยทําแล้วมัน่ะอมันวุ่นขนาดไหนเอื้อมันขนาดไหนว่าเอาสิเลยมันจะไปทางไหนว่ากี่เหนียวเราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปแล้ถลอกปอบเปิดก็พอแล้วจนจะตายมันเหลือแต่รลมหายใจคราวนี้จะเอามันฟาดฟันลงไป แล้วก็อยู่ในเงื้อมือสะจนาดนี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทําให้สงบกลอกสอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อราวให้ไม่สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี่ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชาย ไม่หยุดไม่ถอยมีตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่เนี่ยแล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่ทั้งทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกหลงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจอดลงไปที่ต้นเหตมันมันจะไปไหนวะเอาไปเข้าไป ให้รู้อืมจิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วมันกันเล่าฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือเล่หรวกับพ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบกันได้วิธีทําจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลําบากดูบ้างยาถือเป็นอุปสรรคก็แล้วกันอ่างย่างไรเวลามันจะตายให้มันมันทุกทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคน ยิ่งคนไม่มีธรรมภายใน จ, จิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใ จ, จเลยผู้นั้นอนะตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแสรว้าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนอยู่บนเตียงตกเตียงเมันไม่มีสติสตางเพราทุกขเวทนาครอบงำ น, นี้เราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นะ่ะมันเป็นขนาดไหนก็เอากระน้องทำมันดูมันทนเราไมาได้ทำให้เข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา พราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอย้ายที่เด็ดมันอ่อนข้อได้เนี่ยมีฉะนมันจะแข็งข้อขึ้นเลยเลยให้มันถึงกันพร้อมมีความสงบไลยแล้วทีนี้เอาพี่จาราหาอุบายคิดยาอยู่เฉยๆบางทีปัญญาเนี่ยมันทํำกิจให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญารมสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการการิล่นสมาธิจะมีความสงบเลยถ่ายเดียวโดยปัญญาไม่มีทาง ทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาจฐานมากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนไหนอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงในกาปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยได้รู้เห็นสิ่งใด ม, มามากน้อยก็ พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกหวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภ า, ายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจแ่ปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจแล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภ า, ายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภ า, ายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจ ทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจริงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังพี่ยาไปฆ่าตึ้งมะพรุนเนื้พานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายทัขนาดนั่นแหละตัวมันทําลายมะพรุนเนื้พานตัวมันกัน้นกลางเพรมะพรุนเนื้พานตัวยืดอยุ่วุ่ น, ว, นวายคิดตรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละมันเป็นขวานเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมะพรุนเนื้พานเอามันสงบลงไป พอมันสงบลงไปแล้วความสุขพระปากิดขึ้นมาแล้วเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงกินออกจากนั่นแล้วพิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดงไปในท่าในขันนี่มันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเรตลอดเวลาทําไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังหอกกระดูกนี่ดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามอว่าเป็นของกีรังถาวร มันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือตัวอ น, นิจจังทุกขังนาตาตัวอสุภะอสุภังปฏิปุลโสโคกเต็มไปหมดปา่าช้าดิศพกบคือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันเพี่นะถ้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงชื่อว่าดําเนินตามธรรมความเสศสานตั้นยอ่อเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสกสานใน ว่าเป็นของสวยของงามเนของกีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งหมวลให้ทราบว่านี่กิเลสมันเดินทางสายนีหรือถ้าเราเชื่อทำแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้คังแยกจะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นเอ่ สุขขังนิจจังอัตตามันเป็นอนจังทุก ข, ขังอัตตาเท่านั้นอ๋อมันเห็นจริงเห็นจังลงไปเรื่องความสงบเย็นบ้างด้วเราเป็นนักปฏิบัติเป็นท้าด้วยเป็นนักปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติทําเป็นขั้นขั้ น, ข, นขึ้นไปนับความสว่างประจางแจ้งจนกระทั่งถึงมุตดดุจพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียท่าความเป็นมนุษย์ มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลย อ, อายตัวเองนั่นอหะดีไปคาดที่ไหนมะผลิผ่านอย่าไปหาคาดิเลสมันหลอกเอาทาเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจกิเลสก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจสีอยู่ที่ไหนห ทุกอยู่ที่ไหนทุกทางกายทางใจอยู่ที่ไหนท่านแน่ก็บอกไปแล้วว่าทุกทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบบภาร ะ, ะความทุกข์ความลําบากตรงนี้อยู่เป็นประจาําทํำไมจะไม่เห็นทุกข์ขั้นแล้วสิ่งใดที่มันผิดทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลําบากลําบนติดตามอันตูกภายในจิตฮะรอดคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกวัดสมุทรไทยแดนแห่ง เป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แน่แต่แต่ตามันก็เป็นอย่างนั้นน้อก็อยู่ขี้ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องที่เละที่มันขดความทุกข์ความลําบากความทรมานต่างๆขึ้นที่จีใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยชัดเจนแน่หุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดทางนอก ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงข่าจะใช้ใช้เอามันไปไหนถึงไปไหนถึงกันเลยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่แ้ท่านสอนด้วยความฉลาดด้วยอุบายทฤษฎปัญญาเหตุใดจริงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พระเจ้าท่านสอนทําใหม่สอสาวกทั้งหลายทา่ลลานก็ร่วมรุกคูขาดมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหักตำหลาอย่างพระจุลบรรพกอย่างนี้ เป็นพี่ชายอิหนละอาใจไ อ, อ้ทองรัชหารารห า, ราังอะไรผมลืมแปละมันดืมชีเดือนก็ไม่ได้พระมหาบันถกเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกขอนิมนต์ไปฉันมีพระพุธเจ้าเป็นประธาน พระมหามรรทกเลยไม่ไ ม, ไ, มไม่มีม น, น้องชายเพอาเป็นพระทูตเทศท่านเป็นพระทูตเทสทำาสร้างพระพุทธเจ้ารับต่างว่งพระยังมาไม่ครบยัองอีโองคนึงอยู่ในวัดไหนโอมานั้นไม่มีใครทราบืให้มาน้องชาก็เสียอกเสียใจว่าขี้สายไม่มีมนไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่แบาพระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วย ความเห็นว่าเราต่ำช้าลาบมกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจยอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุบันรูุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อ บ, บันรู้ธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีทิฏฐาจากดานุภาพสามารถที่จะดนบร น, นบรร ด, ดาแลแสดงภายในจิตใจจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะเออ เป็นกี่ร้อยสี่พันองค์ทุนลระบันถกหมดวัดทํางานหน้าที่ต่างๆกันเมืวว่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวไต่พระวัดมาองค์ไหนก็ถามว่าเป็นจนลระบันถกหมดเลยไม่ได้พระทุนลระบันทกอันแท้จริงกลับมาให้ไปอีกให้ไปจับทายจีวรเลยนะองค์ไหนมาเป็นจนลระมันถกให้จับทายจีวร อ, องนั้น จับทายจุวันพี่ชายสบงอะไรเส่็จแล้วจับอพอไปจับป้าบทีนี้ก็หายหมดนี่พอมเมื่อไปถึงรุ่นแล้วพระพระศรรศพุทธเจ้าทรงทราบอยู่แล้วนี่พระจิลวรรธน์สําเร็จเป็นพระหลานแล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดักสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระหรหลานแรจะดัดสันดา น, นโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดักด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันพรามหาบรรทุก น, นะ เขรายก็ไม่มทรงตนิพระมหาวันถกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์นจะมาดัดน้องช้างเจงด้วยที้ถีมานาะขี้เดือดสนะว่าไม่มีนี่ท่านกขนาดนั่นแหละรัชโชหราชัโชหาราชังรัชโชหาราชงรัังหาราติอะไรว่านี่ผมลืมแล เ, เดือนนี้ถึงสี่เดือนไม่ไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนไยทุลีแกะออกมา ท่านละหมาดนะบทเวลาท่านเอาท่างก็ได้เล้เราก็เป็นคนคนถึงจะไม่มีลิทธาสตานุภาพส่วนในอะไรให้มีลิทธาสตานุภาพปราบกิเลสที่อยู่ในเนื้อมือก็แล้วกันเอาให้จริงให้จริงผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึงทงโน้นทึงทางนี้อยู่จะตายว่าไงเราไม่เห็นทำในจิตใจคอยรับความสงบสบายบ้างเลย มันต้องควรนะั้นหรือกับนักปฏิบัติเรานะ่ะเรื่องการย้อนดานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนะั้นอยู่ทุกขนาดอันนี้ไม่มันไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมเอเราให้เข้มงวดขวดขันเราให้เห็นม็กคืออะไรศีล ส, สมาทิปัญญานะศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วไม่จะมีต้องพูดสมาทิกับปัญญาเอาเอาภาดลงไปมันไม่สงบมันไม่มั น, มน มันทําไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกใดพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้เป็เรื่องที่เละนั่นแหละมันดูแยบก่อควรถุดลากมันถุดลากไปนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาพาดฟนันลงไป อ, อ, อย่างหนึ่งยอย่างหนึ่งใช้ธรรมเลกาณทับหัวมลงไปถียิบ อ, อย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบายนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั้นแหะในตัวจิตนั่นะ มันจะคิดไปไหนต่เรื่องอะไรไม่นะเคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทัึงตอนนี้ทําไมไม่เบื่อไม่หนานทําไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกพิเดตหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆดูภายในจิตใจตลอดมาจนตานนี้ยังไม่อิม่มไม่พออยู่เหรออย่างอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายเรื่ชินคาต่อสิเห่านั้นแต่ทําไมความหลงตามพิเดตทอดตามพิเดตจึงไม่มีความชินคาคึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้ วความสดาิจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟากกันลงไปอย่างนั้นอุบาสติปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาเนี่ย อ, อะไรให้เป็นธรรมทั้งนั้นแล้วถึงจะเอาเอามันดยงนั่นเอาจริงออกจากมันก็เป็นขึ้นมาจนไดน้มันไม่พ้นวิสัยของเราละ่ะนี่แหละอุบาสติปัญญานี่แหละคือมากเครื่องบอกุกเบิกเพิ่มถอนสิ่งที่ หยุดขวางหรือปิดกั้นกำบังหิุดใจให้มือ ม, มิดปิดตาออกไปได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอํานาจของมรคแสดงตัวได้โดยลาําดับเมื่อมรคคือสติปัญญาไปมั่นคงแล้วไม่มีกีเล็ดตัวใดไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเล ย, ยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้าภายในจิตใจแล้าปราบปรามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมือของเรานี่เป็นนิพพุนิพันธ์ขึ้นมาที่นี้เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาสมัยนิพันธ์ท่านไม่ถามไม่เสียเวลาพระหลหันท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละเพื่อผู้ที่ดําเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่ จะได้อาศัยเป็นกุยหม้ใต้ายทางไปเรืเ่อยๆเป็นเขียนพิษทางเดินพอไปถึงพี่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดาปา่าบรรทัดอ่ะสมมุติเราจะเขียนชื่อของวัดไปเปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นสําหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยพอเราทราบแล้วว่าวัดป่าบรรทัเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอา่าน นี่มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านดูว่วัดอะไรนะหรืออ่านดูนี่มันวัด อ, อะไรพออา่านอ๋อนี่วัดตัมันตัดเข้ามาเอาว่าตับขาดเป็นอย่างนี้เนี่ยคนภ า, ายในวัดไม่จําเป็นต้องอ่านป้ายจต่คนอื่นต้องอา่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานต่างเต็มใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยคอสและยีเ่เด็ดมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ่งสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง อันใดเป็นสมมติอันใดเป็นมีมุดเป็นความจริงแท้คืออะไรคําว่านิพานนิพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งกางธรมรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพานมันคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เาเห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันมั น, ม น, มนไม่สงสัยเลยตายาไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพานแล้วจนกรอกหาที่หยุดไม่ได้นีเหรอ แต่คนที่มีกิเลสที่มันจนกรอบฮนะที่อยู่เป็นไม่ได้อยู่ไหนเมื่อไงแต่คืนจะไปเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นพเพราะกิเลสต่างทําให้โลกมันคับมันแคบมันติดมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพา น, านทําโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังแล้วปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไหนกอลําบากลาบนก็เพราะ หัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราคอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโ น, น, น้นก็ต้องเทจเหมือนกันพอสงสารห่างจากทรูจากอาจารย์เราเปนเหมือนกับว่าเราเคียกระใต้นั่นแหละเราก็ใต้มาจุดแล้วคอจะดับเราเคี่ยให้เคียกระใต้ให้มันลุกโปรง่รงขึ้นนี่เหมือนกันช่วยชงเสริมหน้าถึงลาบากลำบนก็ทนเอา เห็นใ จ, ใจของแต่ละท่านท่านที่อุตส่าห์มาทั้งกายทั้งใจลำบากลำบนทั้งลากเ็เพื่อเพื่อทําเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์มีก็ห่างเหินไปหลายเวลาตอนนี้เราถึในอบรมตามที่กาลังความสามารถแม้จะ ล, ลําบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุ น, นี้ขอให้เพื่อนสูงทั้งหลายจะได้ตั้งใจกับคิดปฏิบัติ กำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่ า, านิพานก็ดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงแหละขอให้บริสุทธิ์จะรวมอย่าง น, นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำมุขเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วกี่พระองค์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใดดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลย ประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอไปปฏิญญาพานมาแล้วกี่องค์กี่กับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพอความบริสุทธ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภาย ใ, ในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี่จะสลายไปอยู่ที่ไหนก็เป็นพุท ธ, ธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อ พุทธะธรรมะสังขะได้สงฆ์ข้อเข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปรีปโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นคือยาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมุติที่ยังต้องอาศัยสมมุติอยู่ท่านก็นพูดอย่างนั้นเพราะเข้าถึงความจริงจริงแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวเลยไม่สงสัยท่านนี้ก่อนให้ธารมญา